ในใจจนอกขอบเขตของความคิดนึกถ้าเราปฏิบัติด้วยความคิดนึกก็ชื่อว่าเราอดมกติในพุทธศาสนามาปฏิบัติซึ่งจะได้รับผลระดับหนึ่งครับแต่นานเข้ามันพิสูจน์ความล้มเหลวมาโดยโด ย, โดยมีช่วงเงินจํากัดขึ้นมบก็ทีเนี่ยตามอีกไหมใช่ไหมคะถ้า่างนั้นไอ้คําว่าสติปดตฐานสื่อมีอยู่นหนงสือยล่มไหนมั้ยอยู่อย่ว่ากลัวว่าแต่ละที่มีนะคะคืออยากได้แค่คำจํากัดความ มาดูว่ า, วามันตอบ ต, อ, ตอกันยังไงเพราะว่าเรื่องศัพท์เรื่องอะไรค่อนข้างเป็นปัญหาโดยเฉพาะถ้าอิงบาลีด้วยเนื่องจะไม่รู้ไม่รู้บาลีก็จะไม่ค่อยเข้าใจเวลาคนพูดธรรมะเป็นคำยากๆอะคุณคำคฮะนี่เป็นข่าวดีมากกับพี่โดยเฉพาะช่วงปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยมีคนีิจกเรื่องวิกฤตการศารัทธามากนะแต่ผมรับรายงานอีก ทางด้านหนึ่งผมค่อนข้างพอใจเพราะพิกุลที่เป็นเจ้าวาดบอกว่าหลายวัดมีญาติโยมเข้าวัดเพิ่มขึ้นใกล้ายถึงวาระแล้วที่อุบาสก เ, เขาจะปกป้องศาสนาของเขาแล้วละ่ะนี่เป็นข่าวดีทีเดียวครับแต่ว่านั่นเองเราต้องเริ่มต้นในการศึกษาครับทางด้านปริยัติปฏิบัติเราจะคิดว่าเราไม่ต้องรู้บาลีเราไม่ต้องรู้ไตรมิยศไม่ได้อีกแล้วครับเพราะเราไม่รู้นั่นเองเกิดเรื่องหลายๆขึ้น เราต้องสอบถามแล้วครับเราชอบพอพระลูกใดถามว่าสติคืออะไรขันห้าคืออะไรถึงเวลาแล้วที่ต้องต้องลุกไปข้างหน้าครับ mm hmm. เพื่อให้ศาสธนธรรมฟื้นตัวขึ้นมาอีกหนึ่ง mm hmm. การที่พระภิกษุรุ่นใหม่ออกมาพูดนะครับ mm hmm. บอกว่าศั์แสงต่างไม่สําคัญนั้นเท่ากับปฏิเสธโครงสร้างหลักของพุทธศาสนานะครับเพราบาลีนปสาศั์สิทธิรรรรรรรร์และที่เรียกว่าบาลีนั้นก็ คือคำจากคำว่าบาละนะครับซึ่งเราได้ยินคำว่าโคบาลเ น, นี่คือผู้รักษาโคบาลีคือสิ่งที่รักษาพระพุทธวัจนอ้อยสวัสังเวชนาผมยกตัวอย่างนะไอ้นี่พูดเพื่อให้เห็นความคัญขอการเรีย น, น, นรู้นะครับซึ่งถ้าเราอยากจะปกป้องพุทธศาสนาเราต้องเรียนคนโบราณถึบวชก็ต้องเรียนเลยเรียกขั้วบวชเรียนครับบวชไดไ้เรียนตัวเปลนเข้าสุขแทบไม่มีประโยชน์เลยนะคร บาลีราลีสังเวทนานครรู้สึกตัวทั่วพระนะ้อมแต่และคำจะมีข้อํำกับภาษาบาลีเหล่านั้นไม่ได้ผูกขึ้นลอยๆครับก็ผูกขึ้นก็จากการสังเกตสำรวจตัวสภาวะแล้วก็เรียกชื่อรองเรียกชื่อเรืออย่างชานพลัดนะเค้าคาทุกทุกเขาอิขาดนะครับแปล ว, แว่าทนยา ก, กแปลว่าทนลำบากเมื่อเรามีทุกข์เรา ผู้สังคกอันบริเบิลเดินไปไหนรู้สึกหยุดยากที่มันทุกข์ใจนั่นเองนะครับนะัพ์หลนี้สำคัญมากนะครัรูปตีของพุทธนั้นเออผมอยากจะชี้เห็นความสำคัญมากๆครับว่าถ้าชาพุทธกระมาอมสะเพรา่าคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องเรียนคงปล่อยภาระของพระสื่อศาสนาไม่ใชาไม่นานพระจะพากรลกเข้าพงครับผมไม่ใช่โจมตีพระเลยเพราะ เพราะการพุทธบริษัทนั้นคือการร่วมรับผิดชอบด้วยกันทั้งสี่บริษัทครับบางทีเราเกณ์เรื่องไร้ล้ า, ลาเกณนี่คือสงสารรับผิดชอบร่วมกัว่าเราด้วยครับที่ ร, รับผิดชอบนั้นเนี่ยครั้งนี้ครวาดมีส่วนรับผิดชอบมากครับถึงขนาดก็ตักเตือนพระได้สอนพระสอนเนนได้วิสาขามหาบวาิการนะครับช่วยพระหลายลูกได้ดีเธอสอนพระภิกษุด้วยครับ แล้วเป็นสาเหตุของพระวินัยเป็นจำนวนมากหลังเรียนเหล่านี้ต้องเราต้องตั้งใจปรัชนาที่จะรู้ก่อนครับอยากจะเรียนเพราะเรารักใครเราอยากรู้ภาษาคนนั้นเข้าใจไหมเราเรารักพระเจ้าเนี่ยผม ม, ม, ม, มีความรักต่อพระศาสดาสําคัญมากครับมีความรักพระเจ้าอย่างล้นเหลือเราก็อยากรู้ภาษาท่านแล้วเราจะ เ, ะเจะนื้นอหูฟังแล้วรู้สึกภาษาท่านเนี่ยอร่อยอร่อยมีผู้ปราชญ์ชบ้านครผมเป็นอย่างนั้นครับ เมื่อรักพระเจ้ามากๆแล้วอยากรู้ทุกประโยคที่ท่านพูดนอกเหนือจากภาษาแล้วความลุ่มลึกของมันก็ต้องเรียนนะอันนี้พูดออกนอกเรื่องไปเลยนะครับแต่เป็นสิ่งที่ดีครับขยันที่ถามผมในชั่วโมงผงตอบให้ไม่ได้นะฮะเรื่องสายพระรูปใดก็ถามรุกท่านบ้างครับนอกเหนือจะได้ความรู้และช่วยท่านได้ได้ปรับตัวเองด้วยไม่งั้นจะโยมลําหน้าไปก่อนนะครับพระเจ้าข้คือพระเ้าทีา่เราหา สร้างเนเมื่อก่อนพูดนะครับข <riding> ้อก็ว่าไปอย่างนั้นเองนะครับแต่ว่าความหมายก็มีอยู่ทีเดียวครับชีวิตนี่หลายมิติมากครับแล้วก็ส่วนมิติที่ลุ่มลึกจริงๆนี่ก็มีอยู่นะผมชอบที่ยกตัวอย่างเสมอครับให้ํารวจไปสู่ชีวิตซึ่งไม่มีคอนเซ็ปต์เช่นในเวลาเรานอนหลับนิดโดยไม่มีความฝันตอนนั้นชีวิตเราแปลกประหลาดมากครับ <ogg. S 1> เพราะว่าเราไม่ได้ตายแต่ว่ามีบางสิ่งตื่นอยู่แต่สิ่งนั้นไม่ดีไม่ชัว่วไม่มีระยะทางไม่มีการเวลาเพราะว่าเช่นนั้นประหลาดอย่างนี้ลึกแย่เขาอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่ลึกนั้นก็หาที่แบ่งแยกจากสภาพชีวิตวันต่อวันซึ่งเราถือว่าตื่นไม่เช่นเดียวในสน้ำและแข่งนะครับน้ําลึกกับน้ําตื้นเป็นน้ําเดียวเทนานั้นเอแต่ที่ลึกตีตื่นหนึ่งศักด์เป็นเรื่องศักดิ์นะ เะ น, นั้นไอตัวชีวิตเมื่อเราท่องสารวจผมเพียงแต่หมายว่าให้เราสารวจอิสระครับโดยไม่ปราถนาอะไรแต่ถ้าพูดเราไม่ให้วางแผนเลยเลยดูจะจะเกินไปหรือเปล่าครับผมไม่ได้หมายถึงการเรียนหนังสือวาดแผนการอนาคตการแต่งงานการเลรี้ยงลูกนะไอ น, นี้เราต้องทําอยู่แล้วครับใครไม่ทำก็แย่เต็เที่ครับนะแม้แต่จะไม่แต่งงานก็ต้องวางแผนที่จะไม่แต่งงานแต่เมื่อถึงจุด ของการเจริญวิปัสสนะครับไอ้นี่ไม่ใช่กิจกรรมที่ต้องวางแผนการเจริญปาสนาแปลว่าการสํารวจล้วนๆทุ่นๆครับล้วนๆทุ่นๆหมายว่าไม่มีการวาดหวังไว้อะไรทั้งนั้นพูดภาษาชาว บ, บ้านมาว่าเมื่อเราดูตัวเองนะครับดูเข้าไปในจิตในใจเนีไม่มีใครร่วมทํากิจกรรมนี้กับเราได้ เหมือนกับว่าในขณะนี้ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมอ้าปากพูดทุกคนก็ได้ยินเสียงรู้ว่าผมยังไม่ตายนะแต่ถ้าผมหยุดพูดให้ความเงียบเข้ามาทุกคนจะสังเกตออกผมยังกระพริบตาอยู่ผมยังอยู่แต่ไม่มีใครที่จะเห็นการคิดกระแสความคิดที่เข้ามาออกไปได้เลยนอกจากผมคนเดียวเท่านั้นครับ จะ ม, มีใครเห็นว่าผมคิดอะไรเนี่ยถ้ารู้ได้เห็นก็เดาเอาทังนั้นครับแล้วถ้าผมไม่ดูซิคนหนึ่งเป็นอันในโลกนี้ไม่มีใครเห็นนี้เลยไม่มีการสัมผัสทางภูมิบัญญาอเลยรครับข้อั้นอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ว่าทุกๆขณะเรามักจะละเลยต่อการสํารวจที่ว่าท่องสํารวจผมอาจจะตั้งหัวข้อไม่ตรงนักนะครับ จะมีความหมายอย่างนี้ครับคือสมมติว่าเรานั่งในรถไฟกําลังกินข้าวแล้วดูทูวทัศน์นอกหน้าต่างเราเป็นผู้สํารวจผู้สํารวจนั้นดูเหมือนเป็นสิ่งเสถียรนิ่งแต่แท้จริงมันเคลื่อนอยู่ด้วยนะฮะรถไฟนันเคลื่อนอด้วยความเร็วสูงไปเดียวหมือนจะตรงข้ามไอ้ภูเขาหรือเสาไฟฟ้าที่เห็นว่าลื่นลไล่ตามเราที่จริงไม่ได้หรือแต่ผู้สําสวนนะฮะกำลังหนีอะไรบางอยา่าง แล้วการท่องตำรวจชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับเริ่มต้นด้วยความรู้ตัวความรู้ตัวนี่ในเบื้องแรกมันจะทําภารกิจในการเหมือนกับเขื่อนที่กักน้ําครับก็พลังชีวิตของเราหลายครูความคิดตกแต่งเรามากมายครับมากจนน้าตกใจถ้ามีสักวันหนึ่งที่เราเริ่มเอาจริงจรจังกับเรื่องภาวนานะครับดูจิตดูใจนะียเราจะตกใจตัวเองครับว่าเราเหมือนคนบ้าหลายคนที่ผมรู้จัก และสัมพันธ์ในทางธรรมนะพอรู้จักเห็นความคิดแล้วก็รู้ตัวตัวเองหายบ้าเนนะี่ะแสดงก่อนหน้านีน้บ้าไม่รู้ตัวครับทั้งหลับทั้งตืน่นเวลาหลับก็ฝันฝันเป็นเรื่องเป็นาวเป็นขบนวนทยครับทุกๆขณะของการดำรงอยู่ไม่ว่าที่ป้ายรถเม์ในรถเม์ในเรือในเครื่องบินมนุษย์ถูกกระทำให้คิดตลอดเวลาบางทีทิศทางของชีวิต หันมาคิดเรื่องพระพุทธเจ้าแต่ที่จริงมันคือคิดหันมาคุ้คิดเพ้อภาวนาอยู่ในข้างในคิดถึงพระเจ้าแล้วสม้างตัวเองเป็นพระเจ้าสักโลกหนึ่ง ท, ทํา ท, ท่า ท, ทําทาเหมือนพระเจ้าเลยไปกันใหญ่เลยครับก็เป็นเรื่องเข้าในกระแสะความคิดตลอดเวลาโอกาสน้อยมากที่มนุษย์เป็นอิสระจากความคิดทัทง้งๆื่องมือหรือธรรมชาตินั้นมีอยู่นะครดังที่ผมยกตัวอย่างแล้วลว่าเราหลับไม่มีความฝันนะคร เราเป็นอิสระโดยสิ้นเชิแต่นั้นไม่ใช่สีหนุนของสติปัญญาครับเป็นเพียงกลไกในธรรมชาติของมนุษย์แต่อย่างไรก็ตามมันก็ยืนยันว่าจุดนี้ปรากฏอยู่และจุดนั้นสภาวะนั้นเองที่แผ่ขยายมาทำให้ชีวิตของเราค่อนข้างป ก, กติถ้าเรานอนไม่หลับสกสามคืนเจ็ดคืนผมคเดี้าเราตายเราต้องจบทันทีเลยครับกระแสความคิดนีจ้จะทํำลายเราจ น, จนไม่มีอะไรเหลือความเป็นมนุษย์เราจะถดถอยลงทุกวันทุกวัน เดชสุนอะไรอย่างนั้นก็ไม่รู้นะฮะที่ธรรมชาติกรุณาเสมอครับแท้ที่จริงนั้นเมื่อเราปรุงแต่งเ้าในความคิดภาวะของความเป็นคนถดถอยแล้วครับถ้าถดถอยหมายความว่าเราลดตัวลงมาเป็นอาจจะเป็นสาตตกตกผ่าได้ความดำมืดของสัญชาตญาณโกรธลา่าฆ่าตกตีแล้วเป็นบ่อยแล้วถ้าภาวะความเป็นมนุษย์นั้น เก้าไปสู่เชิงบวกเราก็เป็นเทพครับแต่เราได้สูญเสียความเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญซึ่งเป็นทางออกที่แท้จริงในพุทธศาสนานครับพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเป็นเทพยาดานะครับไม่เหมือนลัทธิหรือนิกายอื่นศาสนาอื่นเราเห็นได้จากสมัญญานามหรือการนอมิเนตชื่อของนักบุญเหล่านั้นนักบุญเหล่านั้นโดยเฉพะของฮินดูนั้นเขาจะเรียกชื่อเป็นเทพทั้งนั้นครับเป็นกฤษณะเทพ เราเียกข้อสิ่งเดชมหากรุเทพคือเป็นเทวดาหรือเป็นเซียนนั่นเองครับทางจีนเรียกเสียงแต่ของเราเมื่อเรียกพระอริยบุคคลเราใช้คำว่าอริยบุคคลเรายังเป็นคนอยู่ครับเราไม่ได้หนีความเป็นคนแต่เป็นบุคคลซึ่งเป็นอริยะถ้าเรามองหาเซียนหรือหาเทวดาเราก็เจอผู้วิเศษทุกวันเลยครับเรามีการอ้างตัวเป็นเทพเจ้าหนึ่งทั่วทุกมุมโลกครับ แล้วเทวดานั้นท้ายสุดก็ถูกจาคุกบ้างบ้าบ้างข่าตัวตายบ้าง20ปีที่แล้วผมพูดเลยแย่างนี้นะฮะเพื่อให้สินกระแาความสองคุณจิมโจนนะครับโดยการหนุนนางแนนซี่เลกันรอบสตรีหมายเลขหนึ่งของรากาให้ทุนไปสร้างอาสมโจนทาวที่แอฟริกาแล้วก็เป็นผู้ที่มีพลังมากครับเป็นนักพูดชั้นเลิศแบบ ภายหลังเมื่อตายแล้วรัเขาเป็นที่รู้กันว่าเป็นคนเจ็บป่วยทางอารมณ์ชักชวนสาวกดื่มยาพิษเพื่อไปสวยสุขในสูงสวรรค์เก้าร้อยศพตัวเองด้วยและมีที่เปิดเผยภายหลังว่าทุกครั้งที่เทศนาซึ่งเต็มไปด้วยพลังตรุกล้าศรานั้นคือการมั่วกรรมกับทั้งผู้หญิงและผู้ชายหลังเวทีนั้นนั่นเองในห้องทํา ง, งานส่วนตัวผมเล่าด้วยความสนุกนะครับไม่ได้ซ้ำเติมอะไรกครับเพราะว่า สิ่งนี้เรากำลังเล่นเอาเถอดกับศาสนาศาสนานสิ่งบริสุทธิ์ศาสนาไม่สิ่งจริงต้องอาศัยคนจริงแล้วก็ฝึกปรือเพื่อเข้าถึงธาตุฐานของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงครับเราไม่ต้องการจะเป็นเทวดามีคนนกถือเป็นล้านๆ น, นั่นไม่ใช่สาระของพระศาสนาพระพุทธอเองท่า น, า m, านปฏิเสธการเกาะกลุ่มนะฮะบางทีเมื่อประชุมนักประชุมที่เมืองหนึ่งเนี่ย ท่านในทุกคนแยกย้ายท่านต้องการส่วยวิเวกแล้วท่านก็บำเพ็ญประโยชน์ไปพักบ้านช่างมออบ้างท่านไม่ต้องการพักพวกไม่ต้องการเป็สาวกมาเที่ยวเป็นคุ้มครองอะไรเนี่ยหลายหนที่เป็นสาวพกพยายามปกป้องท่านท่านไปเสดท่านไม่หวังที่จะกลายคุ้มครองเลออันนี้ข้อที่จริงใช่ว่าเราต้องเข้าใจศาสนาความบริสุทธิ์ของศาสนาอุดมคติงศาสนานะครับ แต่เราต้องเข้าใจพระาศาสดาที่แท้จริงไม่ใช่คนเป็นโรคจิตนะพระาศาสดานี้ถูกถูกมองผิดพลาดมาก็มีนักเขียนรุ่นหลังซึ่งนักเขียนเหนั้นเป็นโลกจิตตัวเองก็งมีเขาวิจารณ์พระเจ้าออกบวชนี่เพราว่าทะเลาะ ก, กับแย่งราชบัลลังกันผมอ่านไลน์เล่มแล้วรู้สึคนเหล่านี้จึงรู้จักาศาสนาและาศาสนาน้อยมากๆและคนที่เป็นสาวกของพระาศาสดาอีกก็ต้องรู้จักทั้งตัวเองและพระาศาสดา กล่าวได้ว่า น, นะครับถ้ารู้จักพระเจ้าจะรู้จักตัวเองถ้ารู้จักตัวเองจะรู้จักพระเจ้าการปฏิเสธตัวเองเองลยวจะบอกว่ารู้จักพระเจ้าเนี่เป็นเรื่องของกาเสียเจริญครับอย่างกรณีพรวกคคะเอนะฮะชอบใจในรูปโฉมของพระเจ้าในน้มเสียงของพระองค์ามาติดตามฟังไปเรนะื่อยในสุดทนไม่ไหวก็บวชแต่บวชเพืคยหาโอกาสได้ใกล้ชิดจนพระเจ้าต้องเปล่งทานคำว่าอนะัปเปหิเนี่ยก็เราได้ยินนะคำนี้แปลว่าอะไรเลยวะอัปเปหิวกคคะลนึ่นนะ แล้วไปเที่ยันตะไลครับทํารมะจริงจริงแล้วผู้รู้คือคนจริงนะแต่แล้วในทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปครับก็สมกับที่เขาวอภวิจารณ์กันนะครับว่าผู้คนรุ่นนี้นะครับเข้าหาสาสนทธรรมเหมือนยาเสพติดงมงแงงจิงผมเห็นผมเชื่อหลายคนก็เห็นแต่วก็อยากพูดหรือ คิดว่าโทษมันน้อยแต่สำหรับผมมันเป็โทษมากครับเพราะว่าเมื่อจิตติดยึดอะไรเสร็จแล้วยากที่รู้จักธรรมชาติแท้ของตัวเองยากที่สติจะคืนคงเมืนะ่อเราไปเห็นครูบาอาจารย์ที่ผิดเพี้ยนแล้วเราเรื่อนสายนะสติเราจะเพียนตามครับข้อท็จจริงอันหนึ่งก็คือมีรายงานที่น่าเชื่อถือนะครับว่าจิตแพทย์ส่วนใหญ่เป็นโรคจิตนี่คืข้อเท็จจริงอันหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่า ทุกข์ทั่วคือคนธรรมดาสา ม, ามัณรอุปถชมธรรมดาแต่คนป่วยนไม่ธรรมดาครับคือเขาเพี้ยนเขามีพลังเหมือนกี่เราเห็นเด็กหรือเห็นคนบ้าเราต้องหลบต้องหลีกเพราะเขาเขาไม่หลบไม่หลีกเขาไม่รู้จักดีไม่รู้จักชัว่วดังนั้นเมื่อคนอุปถัมธรรมดาไปเยียวยามันติดต่อกันโดยไม่ต้องมีเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสผม อ, อุมาเหมือนวงดตรีสองวงวงหนึ่งเล่นแข็งมาก จังหวะ น, นั่นในวงหนึ่งเพิ่งเล่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมัคล้ายตามทันทีครับจิตแพทย์ที่ยังไม่ได้ฝึกจิตยังไม่มีสติยังไม่มีความรู้สึกตัวพอนั้น <t> โอกาสผ <t> ิดเพี้ยนง่ายนิ่เดียกครับเมื่อเราอยู่ใกล้คนไม่สบายเราไปล้อเดี๋ยวเราเป็นครับคนโบราณเขาห้ามนะเ <t> ขาห้ามล้อกันบ้าห้ามล้อคนบ้ า, าห้ามว่าคนเมาเน <t> ี่ยเพราะตัวเองจะเป็นด้วยนี่ข้อเท็จจริงอันหนีงน่งเลตอบเลยคําถ า, ามไม่เยอะแล้ะ ว่าอาจารย์หน่อยเอ่อเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องใจโตัุตรเองมันคิดขึ้นมาครกบคือเป็นคำพูดอันหนึ่งที่อาจารย์พูดแต่ว่าไม่ได้คริบัติในนี้ก็เอ่อการที่มีใจโตรเองอ๋อคงไม่ใจิดเดิมแท้ของอาจารย์ต่เพื่อครับเอ่ออาจารย์พูดถึงเรื่องใจโต แต่นี้ยังไม่ได้อธิบายถึงย่าผู้ที่มีใจโกหกตัวเองมีลักษณะยังไงแล้วก็ควรที่จะแก้ไขได้อย่างไร อ, งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับวันนี้ครับเพราะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันในเหตุของปัจจุบันครับโคกโกเคนเนี้เขาจับได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งครับโตัวเองนี่หมายความว่าจิตมันสร้างเรื่องอยครับ จ้ิงงั้น奥มาในนิกายเ็นจ่ไปที่ถูกใจจะเป็นรั่ว ม, มาก<笑>ที่เข้าออมาเหมือนลิงขวยคว้าเ <c oughs> งาพระจังงนะ <c oughs> ทร์ในน้ําพราะนั่นเองภาพสะท้อนครับเหมือนที่ผมพูดบ่อยว่าแต่คนจะรู้สึกว่าเราเป็นใครคนหนึ่งจากสวัสดิ์ร้องทางสังคมแล้วก็ดังนั้นเองใครคนหนึ่งที่เข้ามาควบคุมตัวเราเนี่ยเป็นตัวที่โกหก คือตัวไม่ได้มีอยู่จริงครับหรืออุปมาที่พระเจ้าหรือในพะสูตรฝ่ายเทาว่านิยมที่จะยกขึ้นมาสอนทายกทายกาก็คือภาพลวงตาในทเทลเรยัเนยเราเห็นประตูเป็นต่านะว่ามีน้ํานองหรือมีต้นไม้อยู่เราไม่ว่าเราสำรวจอย่างไรมันเป็นภาพปรากฏจริงคือปรากฏได้จริงๆในแล้วหลายคนรับรู้ได้ด้วย มือนในหน้าร้อนจนัดเนยนะถนนเหมือนจะมีน้ำนองข้างหน้าแต่ถ้าเราเดินทางเข้าไปสู่ศูนย์กลางของความของปรากฏการณ์นั้นๆเราจะพบทันทีในภาพลวงตามันไม่มีแต่แล้วเมื่อเราถอยอยู่ในตำแหน่งเดิมมันปรากฏอีกแล้วครับแต่ว่าประสบการณ์ผลที่สองหลังจากเข้าไปสู่ศูนย์กลางของปรากฏการณ์ของการเกิดเรื่องราวนั้นแล้วเนี่ยพอเพียงแล้วที่ทวารผู้นั้นเข้าใจกลลวงของมันได้ แต่ไปห้ามมันนีก็หยุดการปรากฏเช้นนั้นไม่ได้ครับท่านว่าขันห้าเปรียบประดุจกับภาพลวงตาเช่นนั้นที่เราเห็นเป็นขันห้าก็ดีเป็นตัวเป็นตนก็ดีเพราะเรายังไม่เข้าไปสู่ใจกลางของมันใจกลางในีนี้ไม่ไหมายใจกลางแบบองค์เย็นปักกลายข้างหนึ่งนาตีวงรอบนะไม่ใช่ศูนย์กลางนะใจกลางเหมือนภาษาจีเลกสินใช่ไหมครับถามว่าน้ํามีอะไรเป็นใจกลาง แต่และต่อนี้จุดอยู่ตรงกลางไม่มีรัตตีตรัสมีเล่าไอ้ น, นี้ไม่ใช่จุดตรงกลางน้ำจุดตรงกลางของภ า, าชนะก็แล้วครับใจกลางของน้ําคือความเป็นน้ำซึ่งทุกๆกอนูนั่นเองคือใจกลางเหมัอนธรรมจัยนี้นปแปลว่าแกนนมันนั่นเองครับแต่ว่าถ้าไปดูที่ชั้นปรากฏการเป็นมายาครับเหมือนที่ยกตัอย่างแล้วนะไม่ว่าปรากฏการที่เริ่มมีหลาด แต่ทางวิทยาศาสตร์ที่เราอธิบายปรากฏการณ์ทราบว่ารูมิงนะลูมิง เ, เกิดก็ร่มเหนือเนื่องจากบรรยากาศเป็นชั้นเกิดเอทเทอร์เรฟลกชันมาเกิดการพะท้อนกลับหมดเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติครับเช่นเดียวกันที่เรารู้สึกว่าตัวเราเคือนายกรนายขอนายงองและปรากฏการนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดผมดยืนต่อนหน้าแม่เนี่ยผมผมคิดเองเป็นลูกแล้มีเรื่องต้องตอบโต้หลายเรื่องทีเดียวแล้วมีอารมณ์ด้วยบางวันเนี่ยพูดขับเป็นข้าวกับลูกก็โมโหขึ้นมาแล้ว อยู่ไม่แม่กับผู้โผล่ขึ้มนมาพอมายืยนต่อหน้าลูกนี่ความสึกมันเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นเป็นพ่อยืยนต่หน้าเพื่อนเอาเป็นเพื่อนหลงเพื่อนลองไม่รู้ตัวไหนตัวเรามันหลอกลวงอย่างนี้ครับที่ผมว่าจิตใจผมเมือนตกคำว่าจิตตัวนะึงจิตมันเป็นละลอกคลื่นมันเหมือนมัเกิดมันเหมือนน้ำนเลยครับแล้วมีลมมาพทดเกิดเป็นคลื่นถ้า ต, ตั้งคําถามเชิงกับกาวว่าคลื่นมีจริงหรือเปล่าตอบอยากครับ ถ้าผมขอความกรุณาอาจารย์ว่าว่าอาจารย์ถ้าคขึ้นจริงช่วยตัดไห้ผมตะกอะ้อนหน่ยเขตั้งตรงนี้ทำไม่ได้ครับเพราะเป็นปลาการสัมพันธ์ระหว่างน้ำกับหลงกลมกันอยู่ในช่วงขนาดนั้นตัวตนนั้นไม่มีครับแล้วปรา ก, การะจาดนั้นอยู่ที่ชั้นผิวแต่น้ำไม่ใช่คลื่นแต่คลื่นแยกจากน้ำไม่ได้มันร้อนร้อนนี้ขนาดจะเป็นเป็นปัญหาในหน้าทฤษฎีเท่า น, น, นั้นนะครับ เรื่องข้างในละเอียดยิ่งกว่า น, นั้นอีกแล้วก็ไม่มีใครที่จะสร้างออกมาให้เราได้ครับเราจำเป็นต้องประสบตรงๆนี่ว่าความรู้ชนิดความรู้โดยตรงครับ direct knowledge ความรู้ที่เกิดจากการสัมผัสโดยตรงส่วนผ่านั้งสมองผ่านทางการคบคิดนี่เป็นความรู้โดยโอ้อมมันมักจะเพี้ยนครับบางทีมาหายาณใช้คำว่ามีธรรมะอุปาทานมีอุปาทานธรรมะีเป็นอุปาทานได้ครับ ยิ่งเรียนมากเข้าเนี่มันยิ่งคิดยิ่งคิดก็ยิ่งการของหลอกขึ้นทุกทีนั้นวิธีแก้ก็คือมันคงไม่พ้นเรื่องการเยียวยาได้สติอีกแล้วครับมาเข้าไปสู่ไอ้สภาพจริงแท้งมันนะฮะผมจะพูดยังไงดีครับถ้าผมเอาเมือแตะพื้นผวมรับรู้เฉพาะตัวของผมมันเย็นเย็นนะรู้ว่ามันเย็นเย็น แต่สัใครถามให้ผมปฏิาบาลิพอผมอ้าปากปฏิาบาติผมลืมตรนี้แหละครับมันลุกลงมาอีกตัวหนึ่งเป็นความคิดแต่แล้วครับภสภาวะขงตัวผมได้หลุดออกจากแก่นอันี้เนี่ยนะแก่นการสัมผัสอย่างรู้จริงๆโดยไม่มีไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยจิตใจของทุกคนนะครับพูดไปแล้วคือแก่นแท้ของเราและแก่นแท้เรานี้ร่วมรากกับจั ก, กรวาลทั้งหมดและดังนั้นในวันที่อุบาสก น้อยไวยหลานต่อมาเป็นสังฆนายกนะครับร้องอุทานขึ้นมาใ น, นคืนสุดท้ายที่ท่านจะรู้แจ้งว่าแท้ที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างคือจิตเดิมแท้นะซึ่งมันถ้อยคำหนึ่งประหลาดและเป็นรหัสที่สําคัญมากสีเดี้ครับจิตเดิมแท้ไม่ได้ดิน้นติด ไ, ไ, ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจิตที่ที่ทเรามักจะคิดเป็นรูป ด, ดวงๆเนะี่ยเราไม่นนึจะนับจํานวนอย่างไรไม่สุดอาจารย์เทราวาสโดยเฉพาะอาจารย์ที่เป็นไทยก็ ใช้นิรุติคําว่าดวงเพราะไม่รูมันท่างเด็นก้อนก็ไม่ได้เป็นลิ่มเป็นซี่เป็นอันนี้ไปไหนเป็นผลไปไหนมันทำไม่ได้เลยแต่ว่าข้อที่จริงคือมีแต่อาการครับอการที่จิดต่อลบขึ้นมาการเห็นธรรมะคือการเห็นอาการครับไม่ใช่เห็นมโนกติไม่ใช่เห็นโอความสกเกิดแล้วไอ้นี้เป็นนามาทําครับเป็นเป็นความคิดครับเป็นภสษาจีนเป็น abstract เห็นอย่างนั้นเนี่ยหลงแล้วครับแต่เห็นด้วยอาการดังนั้นเองเรื่องพระเจ้าตรัสหลักที่สําคัญในเรื่องที่เรารู้จักว่าปฏิจจสมุปาทหรืออิทัปปัจจะตาเนี่ยผมคิดว่าชื่อที่เหมาะมากต่อภาคภาวนาคือปัจจะยาการคืเห็นอาการการจียนแต่งอันนี้ต้องเกิดนี้อันนี้ต้องเกิดนี้ครั้งอดีตผมเคยเข้าจิตโดยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับผมคิดว่า การที่โฆษณาคือการขบคิดให้แตกหักว่าอวุธชาทำให้เกิดทั้งขาหนึ่งผมเดินยืนชเดินคิดก็คือเลยปวดหัวนุ่งแย่อย่างไรไปเล่นนีน้ติ่งสมมุติครับซึ่งนี้นไม่มีชื่ อ, อันแต่แตมีใ่อาการเราจับได้แค่อาการครับเช่นอาการเตน้นหัวใจนี่เป็นรูปธรรมแล้วจิตพอมันแปรรูปมันคิดขึ้นมาวู่นวายขึ้นมาเราจะไม่ทันันเลยครับเพราะอะไรที่ไม่ทันเพราะเราอยู่ในความคิดตัวเองนะครับ เมื่อเรานั่งในตู้รถไฟที่กังวิ่งด้วยความเร็วเราไม่รู้มันเคลื่อนใน้ิศไปนะเราถูกกระทําให้คิดอยู่ตลอดเวลานี่คือข้อเท็จจริงเรื่องเป็นวีบากของมนุษย์เราจนกว่าไอ้สติจะเมคมนะ ล, ะล่อนคนขึ้นมาเนะแล้วจิตอินลูเมชันมาส่องสว่างมันมีกําลังพอที่ชํำระออกจากความคิดครับมันจําำระจากความคิดในเรื่องทั้งหมดความสงสัยทั้งหมดจะพังทลายลงตรงนั้น อ, อันนี้ จะบอกเป็นคำยืนยันก็ได้เนอะคาข้อเสนอแนะก็ได้นะครับเราอมปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับทํายังไงเรานี้ออกนอกความคิดยากความคิดลากเราไปตลอดเวลาบางครั้งก็ปลอบประโลมเอาโน้หมห่อให้เราดมเช่นเราคิดบางครั้งคิดในแง่ดีเรารู้สึกสบายเออพิมแต่อีกขณะเดียวเท่านั้นนะครับที่จริงผมไม่ได้ตอบอะไรอาจารย์เลยนะแต่ว่าข้อที่จริงมันก็คือสิ่งที่เรารู้แล้วนั่นเองครับแต่เรา จับได้หรื อ, อยังคือจับไอ้ความโกหกของใจใหญ่ๆอ่านั้นสาคัญมากครับโยจะอะไรเอาอะไรมาจาับสาคัญมากครับทีก็เราโกหกเลยแล้วเราเอาอะไรมาจับไอ้ไอ้ที่โกหกครับคํตตาตอนน บ, บตผมอีกทีหนึงครับซ้ําเดิมก็คือเมื่อเข้าถึงกันใจแล้วนะครับจะรู้ว่ามันโกรกลู่ว่ามันไม่มีเหมือนว่าเราน้ํากันของน้ําคือธาตุน้ําครับ และธาตุน้ำนีตรงไหนกันน้ําันันเเหมือนการปฏิบัติแบบรวมศูนย์เนพ่งจิตไปที่มีเอกกักตาลงเนี่ยผมถือว่าเป็นเอ่อเป็นเพียงภาคของการแสวงหาการพักใจเท่านั้นไม่ใช่วิปัสนาครับนี่อะไรไหมฮรัของขอมหาญาณีของของเซนีเขาบอกว่าก้อยที่มันโกหกนี่มันเป็นก้อที่มันเกิดจาก มันก็จริงเหมือกันแลน้วในนี้เราจะสมาสัยกิตที่ไม่เกิดดับมาจับไอ้ตัวที่มันเกิดดับอาจารย์เลวะเลวาอะไรครับเห็นด้วยแต่ว่ามันผมไม่เห็นด้วยตรงที่นี้ครับตรงด้วยแบ่งเป็นจิตเกิดดับจิต <nom. S 2> ไม่เกิดดับเราแบ่งเป็นสองเกิดทวิลักษณะทํามดวงจิตลัคนั่นเอ๊ะนี่ใช่หรือไม่สงสัยอยู่ตลอดเวาครับที่จริงแล้วเนี่ย ผมคิด่คนที่เฉลอเรื่องนี้ได้ดีที่สุดมีสองท่านครับจันไวหลางรับโชกับอาจารย์ น, นาคาลจุนครับนาคารชุนนั้นเกิดก่อนังนั้นได้เสนอมติที่โดดเด่นที่สุดในพุทธศาสนาจนเป็นเหตุให้ปาดต้นหลังเรียกทันว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่สองทั้งคู่เลยทั้งไวหลังนั้นนากาคารชุนเจาน้านาคารชุนขอให้สาสางเรื่องความคิดแบ่งแยกฝักไฟ เป็นดีเป็นช่วเป็นบรรลุไม่บรรลุเปนการของจริงของเท็อะไรอย่างนี้เนะีไปสู่ความหมายคําว่าสวสดิ์เวทนาความรู้สึกส ด, ส ด, ส ด, สดที่แผ่กระจายอยู่ทั่วล่างไหมนี้สําคัญมากเลยแล้บอ ก, กจับตัวนี้ได้เลยมันไปออกสืน่นจิตตาครับซึ่งไม่ใช่สักไฟไม่ใช่นจิตสองดวงหรือไม่ใช่จิตสองลักษณะส่นวนทรีน้หยหลังหลักโจ้นั้นได้พูดประโยคซึ่งผมถือเป็นธรรมะครับเขาบอกว่ า, วา ในการปฏิบัติในสํมมานักของท่านนั้นถือว่าการไม่เป็นไปเลยคลองของวิตกเป็นหลักคือไม่เข้าไปในความคิดนั่เองครับนี่สิ่งสำคัญมากครับผมทราบดีนะครับว่าจะมีคำถามอีกมากมายจากข้อแนะ น, นํามันโดดเด่นนี้นะว่าเราจะอยู่อย่างไรเราไม่เข้าในนี้เราทำงานได้อย่างไรเราจะเลี้ยงลูกอย่างไรมากมายผมเข้าใจดีครับแต่ถ้าให้ตอบสั้นๆที่สุดก็ตรงนี้ครับถ้าไม่ใช่ตรงนี้ ลึกลับศาสนาเป็นลู้ของปรชัชญาสหรับควาคิดอาหารประจำวันไว้ตกเถียงกันตามสาราวัดเราก็รู้มากแล้วก็ยากนานครับบางทีอธิบายทธรรมะหลุดเป็นนิพพานนู่นี่กลับบ้างตกคนใช้ขึ้ น, นเลยนะมันยุ่งตรงนี้ครับมันมันไม่สามารถเข้ามายุ่งผลจริงเลยครับจนกว่าจับความรู้สึกสดให้ตอ่อเนื่องผมเ ย, มยืนยันเนื้อโดยโดยที่จะเอาอะไรก็คําประกันดีครับ คือเอาความรู้สด ๆ, ๆ, สดๆเป็นตัวประกันว่าถ้ารู้สดกตัวได้สดๆสดๆหมายว่าไม่เข้าในความคิดนอถ้าไม่สดแปลวแห้งครับเหมือนปลาแห้งนยมันไม่มีชีวิตอ่ในนั้นแต่ที่นี้ก็เขาใช้จีอันหนึ่งจนหลังการศึกษานีกายเป็นแล้วให้จับโอห